นอยู่ที่งในนาสตนะเขาอยู่ข้าใจนะให้กายทาให้เป็นศาสตร์มาใล่ผีไ่ออกจากใจไล่ข้อผิดสั่มาไลออกจากใจนะฮะไลออกมนอื่นมันก็ออกไล่ฤทัยไลร้พาไล่บั้นไลเบอร์ไล่ออกจากใจนเดี๋ยวนี้ห้าเสือกี่อายุเลยเพราะบารายู้ไปด้ต่ถาเราใ้เราถ้าห้าวเสือบารายบาร์นี่ห้าวอะไรก็คาวสองปีระวันสาปีละ ในตรงนี้เป็นสีเศร้าเลยหลวงปู่อ่ะสีเศร้าไม่ยากบ่บ่ายขบาร์เส้นเราไปกัครโบ อยากได้ดยังได้ของมันบ่อย้าไมเป็นจะได้เหตุจะค่อยอยากได้ร่มันมันเน่จะมันมันมันแนวได้มันแวนวเสียถิ่นเพื่นจะไปรือว่าอยได้ังไได้คิดเท่ามันอบา ย, ยัวมันเน่อว่าปกคองประเทศบายกคล้ ม, มัน่าปกคองครอบัวถ้าคิดหายเศษเศาบ้านเมืองครอบรัวนะ ห้อเป็นรัมนตีแลห้องทิเปจับคว้าลุเดียวหมเรียกเขาท้าววาบบื่อลุ่มหังห้องกสิบใั้นี่ลุ่มตะขอนห้องกสิบให้นี่ลุ่บ่ากับบาห้อกสิบให้นี่พระพุทธเจ้าเป็นการวานเป็นการเมืองตัวพระพุทธเจ้าอันไนพระพุทธเจ้าก็สอนนี่แหลพระพุทธเจ้ากสอนคารวะอยางนี้ มุมนีเลยพระเนี่ยพระพุทธเจ้าบ่าท่านได้สอนกับพวกนี้ถ้าพระสับบ่งบังถ้าข้าข้าม่แย่นาข้านี้พราะพุทธเจ้าว่าได้สอนมามุมนีนี่สอนทางนั้นว่ากรรมนี้อ่พระพุทธเจ้าเขาต้องสอนฉะนั้ว่าพระพุทธเจ้าเขเป็นตามากกันเมือ่อวัน่ไหนกันจึงทรงพรนามว่าโลกภพผู้ไม่เป็นผู้รู้แก่โลกนะจึงทรงพรนามว่าสัจจะเที่ยวมนุษสันนานเป็นที่สอนของเทวดาและมนมุษย์ทั้งหลายนะ เมื่อในที่อบรมในสมาเนียี่สุสอนท่าเรือสอนสมด ส, สอนเจ้าหน้าิกสอนสอนเบากับสอนอืสอนเจ้าหน้าิกสอนยังไหนเขาเป็นนายจ้างเขาพรพูดที่เจ้าก็สอนหนึ่งด้วยจัดการงานให้ทําตามสมควรแก่กําลังสองด้วยให้อาหารในรางวานันสามด้วยพยาบาลในเวลาเจ้าไข่สี่ด้วยแก่ของหรือว่าแจกผลไมหลให้กิน ห้าด้ปล่อยในสมัยวันที่วันเสาร์หรือวันศาบร์นะเขาพูดที่เก่กาเพวคือเนี่ยมันเชิข้องงาท่านหนึ่งลุกขึ้นทำการ ง, งานก่อนนายสองเลิกกางงานที่หลางงาังนายสามถือเอาแต่ของที่นายให้อย่าไปลักออาตอบเอาเสียไปด้วย <c oughs> สีทำวางงานให้ดีขึ้นถ้านำคุณของนายไปเฉยๆในที่นั้นนั่นันบาก็ได้ประพฤติต่อกันเลืี่แล้วท่านนี่งว่าทะเลาะเาแยางที่นี่มาจากประตูใดสั่งนั่นน ส อ, สอนกับผู้ติเต้าข้างนั่นะนีสอนกัราวาสข้างน้่นละโอหั ว, วกับเมียกัพุู้ติดต่สอนเอ้ตอนไหมกับผู้ติดต่อสอนหนึ่งด้วยย่กเก้านับถือเป็นภรรยาสออ่สัวสอนโดไม่ดูหมินนัที่แม่กะลีที่ห้าเม่งที่เี่ยพอดีสักตได้ว่าสเนโดไม่ดูหมินสามด้วยแมประพฤติร่วงใจอันนี้น ก, กินวกควงคปปวทุบไปเลีนสาวซึ่ง่นี้มันสิบยดหาว่ไปพูดประพฤตร่วมใจสีได้ยมอบความเป็นใหญ่ให้ ถ้ารให้แก้แต่งตัวหับกติกรธนายาได้รับควางมงน been, ีแล้วยมสางสาะ์สามี้วยสังาห้าหนึ่งแตงานดีแต่งงานดีกินข้กลัวเฮี้ยนปัครับเฮี้ยนกับวััดเคลียสวยกบบาาเพาะเขาเอาไทนั่นก็มาถือคือการเงาแล้วแต่งงานดีสงเคราะห์คนข้างเคียของผัวดี เห็นที่ล่าพักหัวมานนาบูมองยามงยาวมงยาวมงกับบ่กตกว่ะผมชอบคนท่องเคียงของหัวดีสามแบ่ก็พื่ร่วมใจหัวสี่รักษาทรัพย์ที่หัวหามาเลยว่าก็ห้าพยายามไม่เกลียดท่านในกิจการ น, นั้วงแต่ว่าอีนึงยูม่งหรวอนเก่งลุดนี่ท ว, ว่ามาูอัวบ้านนี่ฮมูอัวมามากสิเหายอะในเฮือนกิเหล่าเยอะในเฮือ น, น, น ไกลตูนึงสื่อมากคินให้ห่ยม่ยากจนั่งอยู่มึงนัองนเนื่อยอยเมียท่านยิ่งแย่แย่ไปอยู่ยยพ่อเขาสิดอิ่นแล้วเขาหนีไปแล้วเอาไปซื้อสะสะเอ ส, ส, ส้นเส้นั่วอนเบาเส้นเป้นหัหมูถัวนั่นะพอะ่อเจ้าให้เจ้ารอมาอีกคนเดนมืดแล้วเช่ไหนจะมากินมืดจะั่นพ่อเจ้าให้เจ้ารอมาอีกคนเัน บัรงาเขาอยนเห็ดนาเสมว่ายนนาหมันเป็นคนสาคัญอยางคนสลับนี่มาหาไหมเอหาไหมบัดคาดเวิดนี้เรามันมาซื้มไปซื้อหัวนี่นะแต่อยต่ให้เจ้ารอเขามาเอาเส้นเมื่อชิลเหล่านี้ใน้านผี้ายวายวอดบดเลย่นหัวเขาบัดจักจีดีมันเที่ยงนี่มันนอกแน่น่ะมันจะซูอเส้นหวนมันคอยเราสลเลย สู่สูบ่บนไดหัวบ า, านอยู่สู่บ้านใที่มันเก่งแล้วงดระวางพอคำนัยพระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าเป็นการบ้านแล้วไงหนึ่งท่านเรียกมาแล้เนยท่านสอนสองทำกิจโทระของท่านสามดำรงวงะ ก, กูลสี่ประพฤติให้เป็นคนควรนะครับมรดก วห้ามา่อท่านรองรับไปแล้วทำบุญที่ในท้านน่นพระพุทธเจ้าจนทน้อมแหน่คนได้ร่มพุ่นกองเขาแล้วหนึ่งข้าในประทางความชื่อย้องอาตัง้งในความดีสาให้ศึกษาศิลปศาตร์วิทยาสี่หาภารยาและสามีที่สมควรให้ก็ห้ามมอบทราับายให้ในสมัยพระพุทธเจ้าผู้รับอ่างพระนบดอมอบทรับย์โห้ว่ขอว่าพุทธเป็นคนขัวรับว่ารดกเปิกระรอ อ, รอยู่สักคนของตัวเ มัในเรื่องมายาเรืงาตอบควาจิตพระของท่านดารงวงศ์ตระกูลเราพิงตอเป็นคนคนับทรัพย์หมอลอดรันรพ่เป็นเกียมาเรียกเป็นขิ้โกงขี้เกบบอกจะเรียกว่าบ่เป็นผู้ข่วนรับทรัพย์หมอลอคนเนี้ยนั่นพระพุทธเจ้าสอนอะไท่านสอนพระพุทธเจ้าท้านอะไร่าสทว่าศาสนาพุทธบสอนบนไหนอ๋อมันมึงนี้ได้ยัง บนไหนบนศาสนาพูดบริสุทธิโล่เขามันมู่ี i, ่อย่างน้แล้วปศนอาวุธเนี่ยพระพุทธศาสนาแ้วปศนอาวุธชินหานี่ย็าเรียกว่าปศนอาวุธนะอาวุธเรน่องไผ่ท่านอรรร่พระพุทธศาสนาถ้ า, าทาัาคนเป็นมันอีกท่านระบอบนี่แง้กดนให้เป็นมันเนี่ยพระพุทธศาสนาทัาข้นให้เป็นมันเนี่ย ส่งไม่ชิ้นหาชิ้นเกต่อไม่้าไม่พี่ขาเจ้าวดมากขาเจ้าบอกว่านี่ครับเราทั้งกลา ม, มาลบมันน่ะปล่อยให้พวกมู้นี่ออกไปทัางนอกองโลกนั่น้องทังพระทั้งเน่นเห้องวัดก็ซแ ส, สนหาแสนในในประเทศไทยนีย่หน้ามันเอ๋ยลูกมันเอ๋ยหลานมันเอ๋ยอสีดีชีดินสามาไฮสันมีอยู่ยกผู้พิเกักษทํามันเลยเลยยี่ยเดือดเลยบอกสัญาทํามันในตัวแล้ว ส, ส่วนพระอานาคามีมติจากเกรเต๋อวกเที่ยวของในกามมาล้มโทษสารุ่มขบโมีส่วนพระโสดาวันก็ไม่ขอเขตยินดีเต๋อเนี่ยกับพัวเธฟ้องอันเท่าประโยชนในศีลในถ่ำโลกทั้งหลายบระยชนในศีลในถ้ำนในขอการมไม่ซื้อใา้จายนี่สำคัญกม so ูลได้นี่ถ้าควันนั้นแท่งกันถ้าใมค้นเสียก็อักโขขัง ฟังออกมาห่ะปักตาออกะนะถ้าาสอนอะ ไ, ไรเฉมาะเรื่องขําสอนพระพุทธเจ้าห้าวไม่ไดเราการเข้าเมตพระพุทธเจ้าก็สอนเมดแค่สี่จำพวกนิดเป็นอุปการะเมตรว่สุขเรืมทุกข์เมตแยบประโยชน์เมตมีความรักใคร่ เม็ดเรือประการมีลักษณะสี่หนึ่งป้องกันเพื่อนผู้มาดแล้วป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้มาดแล้วเมื่อมีใครเอาเป็นไปตื้นควนับได้เมื่อมีชุตรช่วยก็ออกทรับย์มเกินกว่าที่ออกปากสองเม็ดเรือสุกมทุกเมลักษณะสี่หนึ่งขยายความรักของตนแก่เพื่อนสองติดความรักของเพื่อนในเพลิงพายสามเมล็ดพิ้งในยามีบัตรสี่แม้ชีวิตก็อาจจะกันได้สามเม็ดไดประโยชน์มีลักษณะสี่หนึ่งให้ในกระทำความชั่วสองให้ตั้งอยู่ในความดีสามให้ อนุเคราะห์ด้วยนำใจอ่า ง, งามสี่บอกทางสอง น, นให้นิดมีความรักใคร่มีลักษณะสี่ทุกข์ก็ทุกข์กด้วยสุขก็สุขด้วยโตเถียงคนพูดติ่ตือนเพื่นรับรองค น, นพูดสรรเสริญเพื่อนพระพุทธเจ้าคำสอนพระพุทธเจ้าเท่าไหร่เฮ้ยจะไปสานเก่งมันพระพุทธเจ้าสอนคารวะเท่าไทั้รอสั่ง ท่าทงหลา่อยักวดกรยามยุ่ทั้งพูดรักษาศาสนาทั้งพูดถ้าเราปวดมัดก็ใช้กิจมหันต์ให้กันกินเพระว่าโงเจะมวก้าขส่นี้องพูดกระซ้ามาเด้เพร่อโสด่าบันก็ทาว้ามมีนาามีคือกันอาหารคือกันเาะว่าเจาะเนาะบเดชบุญดชสัมวณาได้าวาก็ได้บัจจุโตฆราวาสังบันิตเป็นผู้คลองเรือนพวกบันทิตเป็นผู้คลองเรือนก็คือพวก ไม่ส้นหานี่แ่ละพวกรวงอบายยมุกนี่หละพวกรวงอบายมกุม ก, เมยมกเพิ่งบอว่าบัญทีโตพระมาวาสังนี่เพิ่งบอกเลยว่าตะกูลนั้นบางครั้ ง, งจะตั้งอยู่นานไม่ได้เพราะสถานศีลศีงื่อ น, น, นจังพันล้านกระซังดังอยู่กี่ไร่นสถานศียางขอได้ขห น, งหนึงไม่เสียงครพระสุรุีิหายแล้ว สองไมาบูรณาาะพักสรุปใ้คมค่าสามไม่บริจัดประมาณในการบริโภคสมบัติข้อสี่ตั้งสติคือบุรุษทุศีนี่เป็นแม่เือต่เรียนข้อนสะัธ์ระมข้อบุรุษทุศีนเป็นแม่เสนท่าเงื่อนมันไปเรีนโบมันไปเรนเนดิมันไปเรียนสาวมันมันก็เมื่อไปเงื่อ น, อนมันอิจัล้ั่ะนัะ่นแะข้าพุทธเจ้าสอนไว้ทีนี้ มิตรกระจรูปคือคนเทียมมิะตะรอยากไปคบเน้อพระวุฒิเจ้าหนึ่งคนปลอบรอสองคนดีแต่พูดสามคนหัวไปตกสี่คนรักตัวในทางชิบหายคนสี่กับพวกนี้ไม่ใช่มิดเป็นแต่คนเทียมมิตรนีคนครบเนื้อคนเทียมมิตรตัวหนึ่งคนปลอบร้อในลักษณะสี่หนึ่งคิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวสองเสียให้น้อยคิดเอาให้ได้มากสามเมื่อในทายแก่ตัวถึงรับทาจิตของเพื่อนสี่คบเพื่อนถ้เห็นแก่ประโยชน์ของตัว สองคนดีแต่พูดในลักษณะสี่หนึ่งเก็บเอาของลงเรือมาปราใสเที่ยวเที่ยวใเฮ้างั้มันจะร้อยจะบาดด้วยแต่ อ, ก อ, อ้กวนนีเือดเนียอนอย่พวนี้แว่าเก็บเอาของลงเรือมาปลาใส่สองอ้อาเอาสิ่งที่ยังไม่มีมาปาใส่ไอใหงื่ีหยออกสกันแว่าสามสองข้ด้วยสิ่งครับประโยชน์ไม่ได้สงขอใ้เฮ้าขอเกลี่ยไล่มากปัญหาอุบัตาหตอายเอาของเฮ้าเอ า, า, า, า, าของดีกาเกลอของดีของโตสามเจยว ทีออกปากพิ่งไม่ได้สามคนหัวปจบมีลักษณะสี่นี่ก็เป็นคนครบหนึ่งเราจะทำดีมันก็ค่อยทาสองจะทำชั่วก็ค่อยตามสามต่อหน้าว่าสังเสริมสีลรับหลังตั้งเดินทาคนชักชวนในทางชิ้นหมายมีลักษณะสี่ชักชวนดืนม่มเน่าเมาักชวนเที่ยวกางคืนชักชวนให้มอมอในกรรเล่นชักชวนเล่นกรรมพานันนั่มพไปจอสอนในพวกนี้กินเหล้าบนก็ใคไม่งูงไม่เกล็นคนมาเสนอโ ในวันเขียวมักรว่าซือกันแล้วกินมูกินพูจะมีมูมีเพื่อนมันกรว่าสือกันนี่มัู้มัเผอมันกรว่าซื้อกันน่กินเกสรออกมาถึงมีมูมีเพื่อนมันก็ว่าซื้อเน่ยมนก็องพายของมัน่ว่างได้สแม่มาสอนเราสิฉันคมนิยมอ่ันคมนิยมมีมากลากไฟกสัลากไฟทักิมังกริีวนยังไงสั่ไฟทัเรนเบร์เรนเบี้ยวมันรั่วพบษวัดเนี่ยมีมากลากไฟ ราไปทั้งถีอมันก็ถือราบไปทั้งถืมันก็พิดมันก็ขนมับกาบริษัทบริวารเขาเขาม่เอ้ยโยมแม่วันมันก็มีบริวารเพื่อการมันมีมุนน้อนมันบริวารมันมันเถื่อนมันก็มีเพื่อการบริวารเอาไป็นมาเมื่อไรเลยบริวารสร้างสร้างไม่สร้างไรสร้างก่อสร้างสิกิ้งประเน็กกสร้างสารยุติธรรมนี่อยู่ เสาเนี่ยมันลงมาทางไหนมาสั่งมาเอาสารยุติธรรมมาถิดินลงลบบหลก็มัดเรื่อง <c oughs> ขบบเขาว่านเกียงกันนี่วัดเมือนะอ๋อมันําทางไหนมาสั่งเอาสารยุติธรรมมาเอาอะไรกันน้ามากมดเรื่องขบบเขาวท่านเียงกันน่วัดมือะนะนเครืองวัดเค่องตวงเอาเทาั้นสารยุติธรรม อันนี้เป็นสารยุิธรรมห้อเยสุเกมแลส้ทองกัมเป็นสารยุติธรรมพระพุทธศาสนาเป็นสารยุติธรรมอันนี้มันตีในพรพุทธศาสนาเอาไปแค่ส้นมืเมื่อวานนะไปก็ไปตลอดทีนะลองมองกันหน่อยอันนี้มันตีคำสอนในพระพุทธเจ้าไปร้อยๆไปตลอดงามให้ไงตรงไงเข้าประด้ร่วหลวรเราจมดร้ายรอก มจป้องเดียวซะนะหามันไหลบางโูกบางนีเงินไ่เงขึ้นกัวห้องจุดกระตักมากต้องมาคอบมันมันไหลหมดถิ่มันหลังอ๋อนักเลงหญิงนักเลงผัวนักเล ง, เงการพ น, นันคบคนชั่วเป็นเม็ดประตูใดประตูหนึ่งก็ชีบหายทางนั้นเน่ยบรหารตะครกเลยเจ้ประตูเลขนี่เอาธนบประตูอื่นกักับพ่อปานอันหาขึมาถิไไา่มแจ้ไฟเน็นะอืว กูที่ถิ่มพื้นจะไฟแรกเอาโดนไม่โดนก้อนขึ้นก้อนว่าสันมันก็ไม่ได้กี่ทานะมันนังอยู่ใต้เงี้ถิ่ม้นะไฟแรกเอาเอาฟื้นโดนก้อนกูถิ่มไฟแล้วกูเปียเปียะสันกูจะแก้มันไงมันมันแก่เีื้อตัวมันนี่เดี๋ยวนี้ถิ่มไฟอีู่มันใหม่ขนาดยกนอย่ทน่ว่าอย่างไรสมนจะขีคู่ขี้คู่วัดขึ้นทางฝังสอบสอบตูก็นย่างปรทักันนี่จังพันต่างเมืงต่างแสนหนึ่งก็เป็นพี่บ้าไปซะสมมติว่ามันก เาเมือก็ห้องว้ยว้ยนนะมันแตชิมหายกบปวารถึงจเาได้เพราะพุทธเจ้า พ, พระกขล่าสารีบุตรกับไปเรนกันมึงรู้กตชิมหายคือกัรเห็นท่่นพุทธเจ้าจะเข้าโลกธรรมมองท่นขวดว่าดวตเขาพุทธเจ้าไปเรียนก็นนกกนชิาาาาาหา ย, ยชายเดี๋ยวน่เอา่าจีวันมาทุกกันมงรู ก, ก, บร ก, บวบวกับพ่อพุทธเจ้ากับซาบกจ่หยังจ่หนานว มามาเลียงหมกเรียงเนี่ยกันสองห้องใส่หวใมกข้างหน้าเยมียังเอาจีวรมาถูกันห้วักันยานเจ้าบ่ได้ไปบินท้าบา ด, ด้วยวอันนี้มันอันนี้มันเจอยโรคเพราะพุณติเจ้าซ้อนไว้ม่อไหเข้ายังจะไป็นแต่เ้าเลี้งมานีมันเสียรลายไปไหนออ ซื้อของแพงเขากันยังไงให้ลูกให้เต่าเขากินเด้่ซื้อปลาทูตัวนึงสองบาทนัรซื้อลูกเต่าเขากัยังได้กินอยู่อันนั้นบ่เแล้วเดี๋ยวไปชื้อจัปองนูอืมนั่นอันเมื่อนี่ให้ลูกใ้ร้านให้ที่ห้น่อพรกันเห็นถอดเห็นถอดแรอว่ามันหล่อได้หรอสมมตาเห็นถอดหรอละบ่ได้มหาใจบ่ได้บอกยากหรอกสามันเห็นถอดอ๋อมันปมันมีย่งนหนึ่งสองสามสี่ห้าอ๋อ หน้าทวงไหนรถขั้นไหนเอาได้ง่อนกัรพนัมืบอนี้เลยเงินลังไหนเอารถขันไหเอาแบบนี้นี่จะเสีย่่าเปินทอมีกบไปบายวังล้องปูแหวน ม, น, มนมือ น, นึงบ่หันนะ <c oughs> <c oughs> มันเคยตบมือ้องโนาเอาบาดรนั่งน้ากนนั่นวัที่นตกก็อาเแ่ี้ไม่เจผิดใหม่แนืนาตลต้องรรเี๋ยะนมีแต่แงมีแต่เหงมีที่ไฟใหม่เลยังวาไฟอย่าไฟ้างมันสีจเ่นถคุณจะเก่ามอมองเห็นหมด ทั้งศิจรุ่นแกพุทธศาสนานพุทธเจ้าขโมงให้หมดแล้วตอนไหนพระพุทธเจ้าพระท่านในเทพบรมีเลยผู้ใดมันประมาทว่างสิผู้ไดตอนนี้พระพุทธเจ้าพรท่านในเทตกับไปเจ้าพรอ่างอะไรอย่างพวกนั้นมาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเห็นหมดแล้วเอาเทวดายามนีมันเริ่องกลางคนได้สักทางสมัยนั่งเวลาปริบูณังปฏิสุทธิทังพวกมันจะย่งประกาศเสียสิบบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งอรฏฐะทั้งพยัญชนะสิ้นเพิงแล้ว ตาห้ามมกวน ต, มนตังในปุถยามาตาหามมกวนตังในพระธาตุน้ำามพวกเราทั้งหลายจึงยอมไหว ย, ยอมกราบอย่างเต็มที่อันนี้พระพุทธเระทานในเทศอันนี้เรพาพุทธเจ้าระทนนานในเทศมันโดนนี่ได้ยเนี่ยไม่เทศเมืไหร่แต่ขีกระ บ, ไร ะ, บะไป เ, งเงน่ากรบะจะไปขี่ขี่เน่าได้อเพราวะ ว, ว, ว่ามูโตก <c oughs> ็นั่งกับเที่ยวแน่นวะเอนไดน พี่กระดูน้องระดงโวดแม่นมอข้าข้าเก่งข้าเก่งไหมข้าเก่งพอกพียิ่งก็บอกว่เอาิมชัดแอลเลยบอกพี่เขาพพ่เกเข่าไปในห้องหรอนั่นพระพุทธเจ้าว่าคอยนางล่งาฉันนั่น ถสิว่าพระพุทธเจ้าบอสอนเนาะไปคีกับสอนไปเงี้ยวกับสอนอันใดพระพุทธเจ้าบ้สอนโลกนี่เปล่ไม่ไม่สําละไม่ซําละแค่เหตเงี้ยวอะไรเนาะอาจารย์พระพุทธเจ้าคอนเนต์เงี้ยวแล้วก็นขึ้นมาข้าวบางขลามอาจารย์มันขวงเหตุยักไห้มันย่าไห้มันเง้ยวเกิดแตกนิ้วพระสกุลย่าไห้สันก้อซีนิ่วอาจารยสันก้อซี่นิ่วเนาะมันมาถุยดาคมันวุ่นวุดนเนี่ย มยนจะเอาไม้คมมาปมอะไรนี่วราสัตวเพันล่าเหรากลุ่มๆอะเยอะนี่มันมีกระดาษอน้าหมแล้วนี่กระดาษอนมาไม้เลยมันเนี้ไข่แวน่ะกระดาษนี่ตัวหนังสือร้อง้วันดอาเซกนเนอะรับปบอกเนองานนี่ตัวนังสือวัดอาชบพต้ง่กระสจนวัด้เอียบวัดยอมพ่นลามันสามารถจารึกคำสอนต่อุรเจ้าได้ต้องเข้ารถส่วนหงเ ในที่สัส้นพ้นตายไปแล้วพ้นนิพพานพ้นได้ต้องมีผู้เข้าลบคนหลวงปู่หมันเขาลบทีุดเขาบหานังสือคนเข้าลบปฏิปติมาก่อนจะเขารบที่สุ ด, ส ด, กกสดว่าไปนั่งควงนาพระพุทธรุกสันหยหันกะเทือย่าตาตาผาตาแพทตอนาพระพุทธลุกลบเทือโร่องสันก็บบุีพระพุทธลุกองหลวงปู่หมันในที่สั้หลวงปู่มหาพลจังกันไว้โรงสัน ก็มเข้ารบเข้าลบที Karere. ่สุดพระพุทธเจ้าเมื่อได้เคาลบพอควรพอธรรมพอสงฆ์คารวะหกเข้ารบเพื่อเพื่พระพุทธเจ้าในประทรในประสงฆ์ในความศึกษาในความนันประมาทในปฏิสันสานเกิดต้นรับป่าใจที่สุ่ควรทาคารวะขหประการนี้ผู้ใดหนักในทางคารวะของประการนี้ข้อด้อหนึ่งก็ดีทั้งหมดก็ดีเพื่อนประพฤติใต้พระนิพพานโดยแท้เลยพระพุทธเจ้าตอนนี้ อ, <PTSD> อันไหพระองค์ที้วนอมันอนีอ่านนีอย่างอ๋อหยังสองยังสามยังเรื่อนี่เร right. ื so desert, right? ่องวน่องยาก็สอนหน่อยแล้วยาแกะผีแกะไฟอย่าง้ก็สอนหดแก้ไหนก็ได้เบื่อใดถึงยอดตายแกหงูพระองค์เจ้าก็สอนหนยัดยาแก้ไข่พระองค์เจ้าก็สอนหน่อยวดเชีนทางพดอาวุธ พระราชนัดดาขปอาวุธอาทิต น, นาขปอาวุธกาเมงขปอาวุธมุสาขปอาวุธอาวุธเป็นเล่นเป็นไพ่หรอเปล่ า, าชื่อว่าอาวุธิทราบขอาวุธจะมิราบขเล่นขไพ่มิทราบพระ พ, พ, บ พ, บพุทธศาสนาป้องเขาป้องเขาพนันธุพนเมนพุทธประสงค์ธรรมาประสงค์สังฆประสงค์คน ว่าแล้ว่าคอมาให้เจอขีกันยากันจิบขี่ในโลกนี้พี่มนพี่งานยกขึ้นนอนเนี่ยพระพุทธเจ้านั่นพุทธประสงค์ธรรมประสงค์สังฆประสงค์อยบุญอะแต่ว่าขันเมื่อบาลเรไม่เห็นว่าขันแก้ก้าแต่หันไปพักในมนุษย์ันว่างสวรรค์ันบ้าพุทธมรลคขันบ้าว่าสันอกดีก็มันล่องลายห้ต่ำโลดว่าสันนอกขันบาละไม่แก้ก้าอะไรซุให้ออกนอกเลย ยาอยู่อยู่เพิ่มมาค้าเพิ่มมาแล้วหน้าตัวได้มันค้าดีมันกับพเขาละมาค้าหายพกอกโหลดเนี่ยไปยึดหน้าตัวดีๆพื่ีเพื่อีไปตัวก็วกเขยไ่เกียาไมมีตะ้อยตี้ตะ้ยนี่ยไ่ตะขอยกคีมาแาบาดเดียวเดินั้งแดนสามเล่นเินสามหดว่า พีพันพีถ้าปีมากเรี้ยงเล้หนนอยเลี้ยงเลี้ยน้อนลงอ่างก็ตายเลยเอาไปตรอดนั่นตัวอึกมันน่างกมันถือพ่อแล้ว่เลอกก็อกเขาไม่รู้มันจรริงที่โดนไฟกระเด็ตัวคือล้ปูแล้วโดมาโดนเลยโดนมาเจ็ดปีเล็ดปีน มันมาเสียงออกจักมันมันก่อยมันเดินขบวนมาเสียงอกกใช่ไหไรเราก็หาอยู่้วนีไมแต่เรื่อหายอยู่หายสมัยก็ว่าหว่าห้เรียนไรหาว่าหายหาใว่าหาเรียนอไรแต่ห้ยปนั่นแหละหา่หยเรียนห้ยเศร้าหายเจ๊ตหายลาบบ้างยังว่าหายอันนั้นเม่มันเรียกว่าห้อ่ะบวกลบเยอตายอ่ะ รูนไถ่หลอกไปตกเพี้ยนตายบายเย็นุกทุ่นในรกามนุษสาเราเกิเสจากธรรมคําสอนของพระบรมศาสดามีข้ารั้มนอและชนเหยาดย่ำตีเป็นเลียกเส็นถางงานบว <c oughs> อบายมุกเรื่อเป็ดขายกัอบายมุเรื่องไก่ขายกบอบายมุเรื่องหมูขายกบอบายมุกเ็ดนองปูน้ปลาขายกอบายมุ้อาสนู้ามปร่าบเ็ดเพอหเ้ามาอา่ิิมาแล้ว บ่เห um ็นพอจุนสะดุ้งหายไปกักเถอะบ่เห็นพอไปตึกว่ากักเถอบ่บ่จุนสะดุ้งกระดองงอนก็ว่าซานให้เขาพอซามจะกระดองฟัดเขาบัดตายนี่สตีเลพอหองมึงชอบแล้วพอสะตายด้วยแ่้วบึงจะมึงหรือตาแล้วพอสุพาอนาตายน่าจะแก้งกขาขัวตาย หอยอมลงจอดกัดหอยสวยป้าเกิดไฟนึกอันซ่องแม่กระตายข้าวาวนาพุทโธแม่หอสองพันี่ยแหม่หอตายสองพ่อยปดสิหกาวนานัดภาวานาตายใส่ชุดตาย ตายมากนะประกดประกดเศษไฟจิบว่านเสียบอะไรบาอื่นบนไฟเตียงโซกกับชิ้นเน่บ้านในเตียงเตียนโซ่กับชิ้นแจ้งประกดเศษไฟตายในขณะนั้นแ่ะกระตุกมรณหกใกล้จะตายมากเห็นภูเขาเห็นป่าไม่เห็นหนนท่า เพราะ่าในพินนนสัยบอื่นก็เลยชินลมฟ้านในฐานะนั้นแต่เกิดเป็นสัตว์เทวดาสารบัตรไสิตายมามือ่อมื่อรถออนสการไปบานได้ก็มาเห็นเห็นหงเง็นเฮงีหย่งมือ่อตึ๊บบาดยาบัตรไสิตายม า, ปากปากกระกวประกวดธีกิจเนี่ยผมว่าในพิสัยบนอืน่นตายไปง่าม น, าน่า ไ, ไปเป็นเพี้ยนตายงา่ายน่ะไปเเพี้บัตรไต่สตายมาก เหนเทียวุฒเที่ยวดะเห็นมีม่านตายพ่านี่กิดพมันเอื้อก็เลยตายตายข้างหลังก็ไปเกิดไปเที่ยวุฒเทวดาบรรตายิตายมากเห็นปรากฏเห็นขั้นมั่นดาแลก็เกิดในขั้นมั่นดาเป็นมนุษย์ชิญพาลหันว่าเป็นยังไ ก่ตยายว่าเห็นตะกอนแล้ร่างกายคณะคิตห น, นึง่งเมื่อสําคัญว่าตัวอยู่ในบนได้เมื่อสําคัญว่าตัวอยู่ในอดีตในอนาคตปัจจุบันเมื่อสําคัญว่าตัวอยู่ในภูรูหรือนอกภูรูอย่างดับจารยมะกะก์มัคคิสคิดว่างว่างจป็นมุ่ยผู้ยึดถือเอาเป็นเจ้าของว่าง ผู้ลูกเขาว่าเมื่อผู้ไปยึดซือเอาเป็นจะของวา่าเรา ว, ว่าเขาอาศัยระบบกฏ ก, กับ ข, ขาวตัวนี้ฟังฟังนะ ห, าะนหา้ามบังัดพ่อหน้าไวไ้ไจเดียรนี่ยนี่ยนั่นเท่าจังสีมา้าฮัทมันก็บมได้แล้วบัดจินเขาเลยจังสิไปหัตลาดจังทีไปซื้อของมาถึงท่านบอกว่าต้องคัดไวไ้เจเดียดนด ว, วนี้ครับพ่อหน้าการห้าเคเ่อยนะครับอันนั้นวมันกลับไปแค่นั้นไ่ว่ายังไงท่าน บัตรตายมากคือหาเลือดมันก็ตายไปเป้นนอนกระดาษย่นโอสดว่กระดาษถ้าเป็นตัวเลข้าแม่งก็คามันได้เลยนะถ้าวาจะมนก็ง่ายที่ได้กันเอ้เอ้เอาเดยวบัตรายที่ตายม า, าเกเนี่ยเป็สี่ได้เห้ อ๋น้าไหมพุข่าวถึงนแน่บัสสำคัญแน่มาพลิกขึ้นให้แน่ก็กระนหน้ามาพลิกขึ้นให้แน่มาล่างก้นให้แน่ขี่จนก้นเหยียบจนก้นมีกระบะกระบะสาคัญแน่เพราะว่ามันปากได้ยอ่เลยพี่น้องผู้นี่พาเราได้ยอน่บั้าพี่น้องส้มนี่ฟาถิ่มข้าเนี่ปากกระปากเมื่อไรลมันติงกัติงเมื่อไระบาดเนี่อนี้กระดมปากกระปากเมได้หมดกำลังระบาดนี้ ที่ 8, ก็จิแตกงี้ก็ถือเงี้ยละตาข้าสกข้างาละบาทคิดคิดถืออเถือคิดคิดว่าถืก่กระไปทั้งไม่ได้บานเจ้าทีาถ่ถาบุญมาหลายบานในกระซอง ม, มึงก็ต้องไปห้าบาทสะกกันเมดบาปไปก็เสียว่าห้าบุญนงาจิตตายนีย่สำคัญอสันักกรรมกรรมเมื่อจนเยยนจะตายเ ห, นนหตุไรกันเพิ่งจะแหยหพัดเข้าหวน้าไว้เอาไว้ทะสูเ ง, งาไมเร่าจนมุ่น ค น, นของ ม, ามนันต่ำแน่นี่ืน้มพยุงถามองคเจ้าข้าพระเจ้าแตเมื่อสักเก็เปเมื่อจําปานไปแล้วว่างรถมารถรั่วเขาวาทัศน์ถ้าทาี่แผงเ่าที่ซ้มแผงเาดี่ได้เรื่องพราวานาโคตรฟ้าขาน้อยตายยามนั้นมันจะเป็นิดวใช้ถามองค์เจ้าเพราะองค์งเจ้าก็เลย ก่อสร้งมาไมต้นใหญ่ๆมันเอ็นไปทั่งทิศตะวันออกแล้วใช่ไหมไม้กเอาไว้ไหมต้นใหญ่ๆไม้ก็ามาจิตก็เหามันนักไปในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วมันนักไปแล้วมันถอนมาออกมันที่เอนไปทงทิศตะวันออกแลายใช้คต่หลอนบักมันย่แล้มันกะลมลงทังนี้วฉันคือการนันจิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห มากก็แพนดินน้าสองแสนคือมือนวดสิตายยางนัก็ไปสุขติเนระวของชาติเขาพอพอพิเจ้าเป็นวองชานย้มตัวหล่ะย้อมตัวตายไงชูมือพาน้นแล้วถึงว้นตายมือแล้วร้อยเทือกคนก็จะ ง, งอประมาทอยู่นูห้องเนี่ยบริแ้วนี่ยังไงกณจะกิดดนแดงก็ายก็งอหล่นเนี่ยกูกินแดงแาบเบ็ดแบบขี้เพอะ จ้างขว่ไเส้กอนตายเราสามเทียกับทันงาเลยมูอห่อโน้มภาคภาษาทางมือเราสามเทียกับท่างานมอไปานเนาะจันทร์ผู้มานักถือห้าลายยังไงผูจันทรเงินแล้วเนาะมันไปแฉมันได่ร้ายอ่ะมันผู้ทั้งคนทั้งนวตาทั้งศาลปัญหามันมาลายได้ไี่น้อยเดียวนี่ มองสัน่นนี่เสียพราตุดินนั่นสติดอยู่พระพีวานำร่ายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าขากคินขากคิแล้วล ว, วั่นมั่นน้เพราะมันมนมันโมเทียงอ่ะนีไปส่ใใรสาตนี่เป็นนำารายพระพุทธเจ้าวัดผีวานังไงสันเป็น น, นำร่ายของพระอรีย์เจ้าเป็นนร่ายของพ ร, ะ, พระหันเหมือนคนขากินแล้ว <c oughs> มูห้าว่าทัานคนจากเกลียดมูห้าวเป็นนอนมายากกันเยอะท่านั่วหันนั่นอถึงกวนั่นเหมือนท่านที่ได้รอถึงกนั่นเอาไว้ด้แล้วแม่ไปโลกธาตุนี่ล่ะอ๋อ <c oughs> ผู้เขาว่านักสื้อวาพุทธศาสนาเขาเหตุบาปมันได้บามันก็นได้ยื่เก้ามาล่ะอ๋อผู้ยืนยันนวสัยว่าห่อนไปจับมันห่อนโมเสกมันก็ห อ, อ, อนที่กองห้องท่านนาะขนบาปงาสาหด ทนบัญญัติเอาเองมันมันไม่เคอนักปราชญ์นักทิพย ร, ราปรินายากา่าคนพานไม่ใช่นคนคนหัวหน้านี่บันทิตาปรินายากา่าบันทติตึงเป็นคนหัวหน้างั้นยิดใจเขาห่อไปในทา่ษษษทาพอปุตพอท่าประสงค์ปุตสนคนบุดห่อจึงเอามันเป็นหัวหน้านี่หน่อมาแห้ห่อหน่อมันปฏิบัติ ง่าได้ิดใจห้องมันลบเป็นหน้าป่ามันมันไปทางผสมทั้ทนบุญจะเอามันเป็นหนนัวห น, น้าให้ขับมันหนีหนีออกในช่วนปฏิวัติอย่างนี้หมอนั่นช่วนช่วง น, นอกกับื่อกันนั่นเพอาเฮี้ยนแม่เฮื่อนแม่สร้างเห็ดแต่ทัวรรับ ส, สามอรรคบกุมขขขเขาบุกว้นออกเป็นหัวหน้าข้อเข้าใจว่าแม่งของไม่หวน กูจะกดก็มาวะมันมาอลายซากอะไพบเหรอมาอลารซากอะไรเซ็ตเหรอเฮ้ยพระพุทธเจ้าบอกว่ากัปหนึ่งในสัวกัปหนึ่งนี ari, ta, ite, ta, ่พระเจ้าหาพระองค์บ้างที่พระองค์บ้างเจ็บกระดูกกล้วยซากแล้วท้องของแม่มือสัวกัปหนึ่งอย่างไรเขาพู้เขาใช้นราห์น้าตานี่ออกซาก ทราบนึงให้เก็บเลยยศนึ่งไ่แต่ทองที่อามาในวัดตาสงสารนั่ขันพ่ะหามันอันตรท่านไปต่อมาก็ทีมหาสมุตไม่ใช่ขันว่าเป็นชั้นเลยก็ตะกีเวลาอามาเกิดมาแกมาเ ก, มาเ ก, มาเก็มาตายได้บอกขันมึงยังสีอาหารไปอยู่นั่นอีปวตาการพพุทธเจ้าบอกเพี้ยนเพล้นเพ้นเพี้อยเอาเ้ขาบอกไปใช้กกแล้วก็ถือคำเปเจงวเด็กของคนกอเขาลต้องขลกล้าก่นทั้งหลง เรื่องการของเศรษฐีท้งมหาอันๆๆดจุจที่กิติแกผู้ใจรับไปธรรมลุงธรามาเกิดลวแกละเจว ะ, ะตายนี่แต่วาให้พระรหัตผู้คนพ้นไปแล้วมงังลูกข้ามมังลูกเพิ่งกับพ่อปานว่าอยากกินอัน ออมฉีไ้โปอวอเพราะบันวางเราปวเบื่อง่ายไปเนกระบอกยากเโอ้โหสัตวว่าคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเกิดก็บเป็นทุกข์ซะคนหลับแก่กับเป็นทุกข์เจ็บก็บเป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์้ะอพ้นเทศธรรมจักระวัตินาสูตรพระพุทธเจ้าองค์ไหนสามารถเทศดอันนั้นแหะเกิดแก่เจ็บตายชาติที่วิศุขายชาวิที่พิุขามรณะพิศุังคนดังเทิดจะมันเดียวมันถึงมัดใจโลกธาตุ ข้นตาบอดงูหัวกรถือบักผู้ใดบ่บ่ฟังมันกระถือบอานกะั้นตีดินตีดินยูนี่นีมันเป็นาุดินึงแข็งนี่ตีหอวตระได้หาวอว่างเนีห็นอันนี้จังคณะจีตเดียวก็เห็นโลกรอบนึงละมัดแต่ฟางโลกเห็นอันนี้จังกระตันเ็นุกคณะจีบเดียวก็เห็นโลกรอบนึงละเรื่องอีกก็เห็นขนาดไม่ได้เห็นหลายอีกมันมีตัวไรอย่างไรเนี่ย ไน้ไตโลกระทาเลยมันมีวดลไร่มีมีเท่านั้นมันหายไปเชิงยังวสิรือว่ายังไงสมันไ่ได้ขวมเลยข้สมมุติว่ามันควมเนี่ยโมไม่เมนเท่าพี่ก็นาแล้วมันหายเหรเบิงอยู่เห็นสัดๆแกเห่าเห็นสัเจ็บเขาเห็นสัตายเขาก็เห็นชัดเือนี้แกเขาก็เห็นนี่น่ส้ากอดหน้าร่างกายมันเป็นของตัวเองงนอแล้วพอาะพเจ้าอ้างสิ วมื่อหน้าหอมีิฉันหอมคือยังไม่เอาสันไปเทียงแม่โตไปงี่ยงเล่ฉันขีออกก็หอมประยง่าถึงเนี่ยเียงว่าไรเลยม่รู้นั่นหน้ อ, นนน อ, นงหนองหัวน้อมพี่จะหน้าห้องหัวที่อยู่ี่ซื้อเปิดมากแก้แคบตายแล้วมื่อหน้านีิฉันเม่ตายหน้าเขาน่อยเม่ตายหน้าแก้ว่าไรนี่นั่นพี่จะหน้าตามเป็นจริง ตามมันจริงแท่หลักเับนขพี่แค่หน้าตามจริงเน่ยควบหลงของข้ากระถอนออกถอนออกถอนออกของตละคร่ขาพี่แคหน้าตามปจริงถ้าพ่อพี่ตามจะหน้าตามจริงควบหลงข้าวกระถอนออกแล้วผมบอเาัว่ามันเป็นอยงนึงเรับแพีหน้าให้คะแนนมันจึงนึงผลมันสิมันจะถอนอยงไควลงห่อนั่นมันบ่มันว่เที่ยงข้ามันแปลว่ามันมันเที่ยงมันเป็นทุกข์มีสิ่งนขึ้นเ้าข้ากระปนแต่บรว่ามันไปทุกข์จนเสื่อ มันสวนวงสันนะมันก็บ่าถอนออกเสียแล้วก็หลงห่อผมบอกว่าสันว่าขอตัวจะค้องเลสั้นน่ะนอกจาใจไคที่ตัวใจได้ตามันก็บตัวมาได้หูมันกับตัวมาได้จมูกมันกับตัวมาไดข้ขนัญใจก็เอม่เห็นิต่ตัวไผอืมแใจเนี่ตัวจะคล้องปัญจรูปเขารู้เท่าจะค้องปัญจิสนะพรนะจะค้องใจวัสนะใจใจพีเตอได้มาชนะใจว่แก้ใจใจพีแต่ได้มาแก้ใจเอา วอลล์ลุกไปนึ่งมันจะ ก, กี่วอลล้อยเท่าที่แอตโนโนะโถวตนเป็นที่พึ้นของตนก็คือใจเป็นที่พึ้นของใจนั่นเองพูดทำํำลายตนก็คือใจทําลายใจนั่นเองนอกจากใจไม่มีอัะไรจะทําลายใจนหวไหมครับนอกจากใจเขาไม่มีอนไรสิถ้าประโยชน์ให้ใจได้คือการงานถ้าพูดพระอารหันต์เขาพูดพระยิ่งพระน่ะมันใจบอ พระหันเข่าสู้นี้ผ่านเพราะเรเอื่นว่าใจได้บัเพร่ะเอิ่นว่าถ้ามันตคือมันบูมันฐานะสิเปเอื่นไว้ใจว่านะคือเข้าเนี่ยแล้วเท้าเขางอกกว่านี่ที่ว่าคุณหนูมันก็สี่แมบหมนคุนหนูทีว่าสั่นมาไหวเข้าเท้าเงอกดอช่อที่ว่าสั่นาเลี้ยงไส้ท่ว่าสั่นมามันผสมฐานะเท่าเลอันนั้นเข่าสูพคน่านไปแล้วกพระมันบัญญัติวุ่นเนี่ยที่บัญญัติใจได้พระหัน บรรยัปิาใจคือแค่พระอรหันต์มรรคตายอย่นี้แหะใจก็ไม่ขี้เร่าสักส่วนตายแล้วก็จะบรรยัว่าใจบรรยัตว่าถ้ามรรคตายีคือนักบ่อยากเป็นดอกบัวยี่ใตาน้ำหลืมันง่ายคือเดียวเนี่ยมันอยากเป็นข้นแผนสูงกันหลายอย่งนี่ตายจะเกิดตายจะเกิดเจ้าหัวมันที่เกิดทบปลอยสั่นขหไว้สั่นก็บ่เป็นที่ อ <Well, S 3> ุ้นใจห้าหนึ t ่งที t ่ละกอมันอะไรเกิดแซงหัวมันชีแกดักแกเดียร์มันก็มีคู่กันเาวาเจ้าสร่าก็บ่เป็นเครื่องอุ้นใจห้าเนี่ยรอใครน่เป็นเครื่องอุ้นใจห้ากัองเอนบอกอนนี้มันบ่เป็นเครื่องอุ้นใจเห่งอัมันเปี่ยนมันจำบ่เป็นเครื่องอุ้นใจก็เพราะมันสั่งอะไรนี่แกกล่ามาแล้วจีวายยังไมันบ่จะมาท่องเที่ยวในวตาสงสารอีกจีวายังไมันเห็นทุกพวกงอนียอุปสรรคเป็นญาิเศษจะเปเหยดใคัดเช็ดหลาในวัตาสงสารนี่ พี่หน้าม mm ึงรูส่วนพระลหันเคล่อนเคลื่อนจากโลกไปแล้เอ่นะเคล่นมอมึงโลกมบวชในมอวเงีรไรด้วยพูดตามเป็นจริงมันบวมีควาวสุเทอดเลีย้าเขาหินเลยมันบมีควซุบ่อดเลงาเลยคานี้ขั้วซุทอดเนียงาเนี่ยวิ่งงานของพระกับปจันยหันมันก็ไปว่าได้มีมันบเห็นเลยเห็นตะกองไฟเสมอผาตะบดแก้เก็ไตเสมอผาดตะบด ข้าพเจ้าไม่ได้สงสัข้าพเจ้าภาวนาเห็นแล้วนีใส่ิมาตัวข้าพเจ้าได้เองิใจของคนมันกัดยับคว่มหลงมันอะ่ะมันคว่สลับมากแล้วคว่ำหลงมัติตันไู่ได้โวมันสลาบพันมันอะ่ะหยยบเรียกตีเขา้าตีดังมันละนัะ่มันกขาทูนพนิพัทธ์ประเทะดับเพิดในวรารทรงคามกับพนิพั์โนนตนี่นะ <c oughs> มัวห้องน่ยากเียงวาปู่คนหนึ่ไอ้สีคนหนึงูมันก็าไ่ได้แล้วอันนี้เดกกะทิธาต้ออต่าบ้านบ้านไหมึงวามเนไเก่งเลยบ้านมึงวางไเก่งเลยผู้นผู้นึ่้่เก่งบม่มีอนเท่าไหปู่คนนึ่พ่อไสีคนหนึ่งนันอ้คือกันแหะพอาว่าปู่คนหนึ่ง่อไ้สีคูหนึงในบ้านในโรกนี้ก็เอาแล้ว เข้าซ้อมือเข้าเกียมตัวตายเลยซื้อมือเขาบ่ได้ถึงเวลาของเขาเกียมตัวมาแล้วเดี๋นี่เกียวตัวตายเลยตัวตายเนี่ยชีวิตต้องเข้าช่วยชวยเคิงวหนาทีเท่านั้นจีบมือชีวิตต้องเข้าตัวตามติดชัดบลอกตามสมุตตามตาตามบลกกล เคืองวินหน้าที่ขอันแล้วมั น, น, นเป็อนอดีตและน่าพด อ, ออกริ่ม อ, ออกไล่นนในวัดตาสงสารเนี่ยที่เ้าน่าขึ้นหลังบึงมันก็พ่อจักหัวซักก็จีดีมบนที่เ้าน่าจะไปทางนอกระพอะจักหัวสักก็จีดีมบนที่จ้หน่าบึงน่าปัจจุบันก็แท่งอ่ะเออมันอนนข อ, องสีอยู่ แต่ะว่าโตเกนพยายคิดตลอดเพราะชาวฮ้างกะดูกี่ถือว่าโตเก็นพงายามคิดตลอดแค่บอกกับพฟังคุณหงคุณหพระเจ้าบอกกับพระฟังพยายคิดตลาดพี่น้องเพิ่นแต่ใก็ว่าจพยายามคิดตลาดพี่น้องใส่ที่แต่ใจก็ไหวาจใส่ได้แล้แต่เพิ่มใส่ละฮะเหมือนแต่จั่แลวฮะ เรบังเพลิงมาตัองเราพี่น้องใจคิดตัวใจก็ไหวจ่ากะอยงานคิดตลาดนี่ยพี่น้องใจคิดล่กข่ายงันงันวะไรฮะจากงานสิตายเพรายงคิดตลาดมันงานวะไรเนี่ยยกลูกสิตายเพราะยกลูกวะไรเพราะว่าเอาน้าม่ให้กินได้บทสำคัญนั่นแหละเพาะั่งบอกได้มาคอยคิดกินแล้นั่งบอกได้แล้วคืว่าสาคัญตอนบอกว่ได้ยังไ ปากเาจะพูดออกเขาเไม่มีร่มที่ออกเขาไม่มีแา่หันใจว่าว่าที่จะหน้าธรรมะตายค่าธรรมะสัวนตัวตายค่าพระว่น้าตัวก็จะเกิดเทวโลกพรามรลกดีก็ดีพ้นทุกข์ผูดผดเย็นถูกในวะตาสงสารเห็นเห็นชักเนี่ยแหละคนผูกการปฏิบัติคนว่าบ่เสียบ่ได้พระอรหันต์ในร่างที่มีชีตอยู่ก็จะได้ใกล้ตายวน มันเห็นถูกเรือมันถืว่างวัตถะสองสารกันวางฉันว่าได้ั่นกะตีได้พระอนาคชามีไม่ได้พระอนาคชาณีจะตีได้พระสัพพาคามีไม่ได้สัพาคามีจะสิได้พระสวัสดาบันไม่ได้พระสวสดาบันจะสีได้ประเจิดในมนุษย์อีกหรือในสวรรค์อีกหรือบริจังท่านจะเป็นนิสัยพ่อตเกหรือบริจ้งท่านอีก พระพุทธเจ้าองนามากัเบเทศบาทค่ขาขาเดียวกับไปดินันการปฏิวัติอุบลเสียอ๋อ่าแต่โลกทั้งหลายไม่มีชื่อหาประจำมึงโลกสเออท่านี่กับพอ่อหรอกโลกทั้งหลายไม่มีชื่อหาประจำเนี่ยคุกเทียบไรเงีย้ยกระ่างเฮียบไรเงี้ยใช่ว่าถ่ายเงินเงินเสียอยู่ในบ้าน ก็ไปถามออกกะไรยุบ้านก็นั่นแหละเขาเจออะไรเขาก็จะเรื่อยัันละทันท น, นี่เส้นหาประจําเมื่อได้หนักมองแั้นเออเมื่อต้องอะไรต่างหลายกฎหมาย็่ต้องอหไพ่ อ, อร้อยพ่อมือมาตากอย่างละแม่กฎหมายน่สิ้นสิ้นทำทำด้่รลกกวบางคุ้มครองโลกสองอย่างเพราะว่าอาต า, บาบวาาบกลัวต่อว่าทานั่นจะคุ้มครองโลกได้ ถ้าไม่กลัวตบบาทไม่ละ อ, อายตบบาบแล้ ว, วลคนม้ายคนมู่ก็ทักคดพวกก็ตั้งมาอยู่บูของธรรมก็ไม่นำคำหนึ่งก็มดชื่อขึ้นพิงอิงอาศัยนะท่านความผิดในที่แก้เมื่อไรก็ไปท่านในที่รับท่านตะองนั่บอกว่านี้มันต้งเสียงคุณคาพระพุทธศ า, าสนาลายนะตัง้งหมันก็อยุคหุ่ม น, มม น, มนมันม่ยุคหัวใจพ้นนี่เราสู้คนว่ามีหลังอายบ่ ม, มีบาป มันจะตั้งยู่บอกน่ะพอมาหน้าอายุสมมือบุญไม่ใช่อยู่ขึ้นเกาเลยมันก็สูงขึนสูงขึ้นชื่อข้อสามนั่นะผู้บังอาจารย์องค์นั้นเป็นแน่นอนอย่างนี้ครับ้นื่อยคนท้อมาหน้าอายุสมมุติบ่ใชยอยู่ขึ้นเกาเลยวะถูกปนก็สูงขึนสูงขึนเช่นเดียวทำบุญบ่อยใจก็สูงขึ้นบ่อยถ้ามาบ่อยใก็ต่ำลงบ่อยอะไรเย ฝนตกบ่อยดินก็ชุ่มบ่อยฝนมตกเลดินก็แห้งอันเดียวกันเ็อียังถือว่าเห็ดใส่โตเห็ดใส่ผู้เ่นมาได้เห็ดอี๊ยังก็เห็ดใส่ใจท่าบุญอันนี้ก็ท่านบุญสร้อมใจท่านบามันี้ก็มานบา้อมใจรองท่านอรรถเห็ดบุญเฮียนเนกับผเอาอืา กับวจแล้วผู้เอาายบาสเทเ้ยเี้ก็บผเอาจายกับวัจัยเวผู้ผู้เอาอยู่ฟู่กพระ่อหน้าห้ยยู่บ่านวาพระพ่อหน้าหานั่งสัน้นกับพร่หน้าห้นั่งยังกับพรพ่อหน้าห้ก็มันคิดใจลับพ่อหน้าเอาเองหองสันอใดเดียวเที่ยวสงสารกบโเล้วผู้ที่เก็บสิลาวก็มันใจยที่เก็บลาว พูดู่งท่านกของอ่ะเมื่อกี้มันใจนะจูงท่านกับของพุติ๊วเตือนกัของอันวนวันวันไหนมึงดีกับมั่นใจหมวันไหนมันถือพุทิรักษาก้อนถอไกับมั่นใจสารอรรถทำโยนลงมาให้เอกนีบ่ายนลงมาห้นึงหนึหาปฏิบัติง่ายๆสินช้างลอยกีเ็กมีตัวเดียวสู้มันมันข้อพิษมันสินหาแมีคอเดียวสูมันมันข้อพิษมัน ที่หน้ากาเม่มืงสาสุราเขาบอกเลยวงาสลับเมื่กล้าเปลี่ยนเสื้กหาเกี่ยวอยู่หันอแปดมือที่พระท่ามาขันก็เป็นแปดมือที่พระท่ามาขันเกี่ยวมาเกี่ยวอยู่ใจเนี่ยบอกว่าท่านอรรถว่าอดีตมันยังอดีตไม่มีท่านของปัจจุบันที่วางมาแล้วอนาคตมันนี้ผู้ปัจจุบันไปหวังว่าบางที่สมประสงบัติบางที่ก็ไม่สมประสงบัติอนาคต อันนี้แตสมประสมค์ผสมผสมแล้วพระท่นสมผสมผสมผสมก็ล่วงไปแล้วสมผสมก็ล่วงไปแล้วอนาคตเกิกันสสมผสมหรือผสมผสมกับพระท่นมาถึงเบิรจังว่าสีเบียรอยู่ฝั่งหน้ายะโอเอาคนิ่งหานสองตต่างแดงมากไมมื่อไหร่อยคาเอาไว้เพิ่มมาอันเดียวกันก็พ่าหน้าก็ได้น่ะ สูสูอืมเอาละอืสีกรมวยตัสีกไม้สูสูสูกูไปูดจกอจะมันเกี่วสูมากินน้องปวดเพราะาอะไระไม่ใช่นั่นและว่าะเหมือนเป็นนั่นแล่อยเขาชิบหายอะชิบหายตายเลสีกระมวยตัสีกรไม้คนนันอ่างในโรกเงี้นไปเลยพอยากโง่ ตัวขานั <S <S 1> <S 1> ่นโอเคาฮ่่คร ah? <ah ับ uh, ดูครับผมมีงูเ่็นันนี้ที่คุณมีมลไปกตาบปันแต่ไม่รู้คือว่าสีมาาหนีอะไรมาไปอ่อทั้งทั้งงานบริษัทลงอัดมันเม็ดกับสายต่างประเทศวันนี้ปีนี้ทั้งบริษัทเขาขยายงานแบบ แคล้วกุ้งแช่แข็งไปขายนาหารข้าขายมนุษย์ข้าขายจัตเป็นในื่องสาพิษตัวฆ่าเปเป็นอาหารข้าขายนำา้ำมอข้าขายยาพิษการข้าขายห้ายอย่างนี้เป็ข้อห้ามของสุพติโนเขาไม่ประกอบเลยแต่วันนี้เป็นเป็นบริบททำไมมันตายเนี่ยนะอแช่แข็งมาแล้วไปขายเลยนะมันมันจงันสงสัยในลักษณะจริงใช่ผมหาโอกาสกลับไปดู ถ้าเนี่ยนเขาเห็นเขาไปซื้อเขากรจหามาละลายทื้เกาหังาเขาก็าดีกวานไหนอ่ะเมื่อถืกันไหนเมื่อถืกันไหนยาก็ดีพอพวกภรรยาเป็นจายสอนนี้่คณะบัญชีว่าหนก็งาอยากให้สามีเห็ุอันนี้นอันนีทั้งบริษัทนี่เขา จับตำแหน่งนาชีการไปไกลให้ประเทศญี่ปุ่นเนี่เอาตำแหน่งใหญ่เป็นเพรานเองกับวายุท่านทั้าหมดซื้อมันกือปตายขึ้นมาเพราะมันซื้อมันยันแย่งด้วยแต่ทั้งันงนั้นเขาบอว่ามนาจิต้องเปนีด้นเรื่อเพิ่มมาทั้งในคณะกรรมการก็รู้ว่าท่านทั้งมดซื้อเขาเขาก็พยายามเอาเอาน้าแข็งไปแช่แข็งมันตายเพราะว่าทั้งในบอบอลเลี้ยงกลุ่มนี่ยมันส่วนผู้ที่เขาเลี้ยงครับท่านทั้งหมดซื้อก็ต้องจับกุ่มไปเกลี่ยนเอาน้แข็งใส่มันจะตาย คันเอาท่านั่นละเอียดละอ่ะแท้คันทีเอาพ่อซ้ำไหนซ้ำหนึงหนึ่งกลางแม้นี้คันธียัดได้ดีก็อนนั้นทมาบตือคันธียัดผลสุปฏิปันโนมัทำบัตรือกว่าคันธีเอาท่ำนั่นมอางพ่อได้อยู่คันธีว่าจะกิบให้กิบให้ใจและให้อาชีอกกูสูงถึงก้นนี่เลยสั่นมีสัาราศีก้นนี่เั่นกูมีเงินพ่อติไปได้ยู่เงนพวกขากุ้งกูว่าสินขี้ขาผู้ใดวกัน แต่ว่าพ่อเฮ็ดเนี่ยเขาวานกพิเ็ตกูมีเงินอนคเนี่กูกัพ่อสมุนต่อไรไม่ยู่นอกจากกุ้งไปแล้ววะ่านคือคือเขาวาเนี่ยกัพระว่กินถ้าว่ากินเขากับพระคาวะท่านมันบาปด้นี่ยวะท่นกินปลาหูกินปลาท่านหวงพ่อบวชมากเพราเลยว่าจิตสมมากินปลาจินเนื้อได้วะท่นเน้่ยขอวางเสีย ไปถ้าไปบินถ้าบาทกับ่ได้ห้องนี่ว่านคำว่ามันปลาจะเอามาสบาทเด้อก็บ่ได้วาดีวะต้องระวังสี่นเนี่ยพระบ่มีเมียเขาเอาให้ยั้งฉันวะฉันว่าเป็นน้ำผาเม่อวันระวังส่นั่นเนี่ยพระบ่รักเขาไปรักให้ยั้งฉันวาถ้าบ่เปขาวพ่นเขาเป็ข้าวให้ยังฉันวาค่าที่ง่าตัววันอย่างนั้มาทีมใแต่พระว่าอย่างนี้พระบ่พราบ่กินเขาก็บบ่ค้า พระบนี่เนี่ยเขาเออกยั ง, งฉันมาขนาดตัวพระบุคคลว่าเขาคนะือพระตะาหยั่งฉันวะหรือว่าเป็นน้ำผราบอกว่าเขาวางที่ได้ผราพระกินเอี้งอะไรลรอเพระโมย า, มานโมยานเําเข็งเขาคนเขาหวานขนา <c oughs> ี้เลยเรื่องขเรื่องอไบ่ได้ยากหรอกเขาสิเรื่องขี้เรือ่องอไมง่ง่ายเพาะฉันพระต้องรับผระเนนมยาก็พหยังส็ส ด, ดอกวะฉันเขาบอกว่านนี้ เขาขางวขาหมูกินดองมั่น <my> <to> ี <Citizens grâce to you> so his his <sh> ่ยเขาาใจงีินผมจะเขาเขาขาหมูขาง่วกินดองเข้ามาใ่บ่ะเขากินมันไม่เป็นอาบัตบอกว่าส่นเดี๋ยวว่เป็นแล้วเขาาเรียกพี่ต่างนอกรนเขาบอกว่าเสียเอามาใส่เข้าเขาบอว่าเสียขาย่วงห้องกินไว้ขนาดตัวว่างสิห้องไกไปนาบ้านเขาเขาเขาวาหาแใจแล้วคานซือเพ่ามันเขาสีม่งมาหาเขาเลยว่าัวพักสีดำตัวคุณแล้วก็เขาเอากินผักนั่นยังค่ยดีวาสั่นซับว่าตาย้อนนะสั่นคนหนึ่ง ววไอ้ควายทเป็นพักมากมันจะเอาเขาขาดมันจว่าล่านโตอ่มันพืชเขาปลาปลาพักอ่ะมันพืชมันกินพักยาอีงเขาไปตีเต้นควาที่เป็นพักมากเพราว่าท่กินยาสูนุ่งทาไมวะท่นตัวม่อนมันตายได้ตัววะท่านควายกยเขาก็จะกินนะ่นตัว เพรงอควายตายงอนเองก่อไยร้ายยุ้ยวาสันเนี่ยตัวาเยะกินยังห TA ัวสันเนี่คือชีก็ได้เหรอยากเลยเขาจะกินแต่ตัวนมาลูกบาศก์ตัวเดียวนี้ปัญหาคนที่รักกำลังหุ่นไหวยอยู่บ่ไห เเล่าเลยยากเลยเหตุ뭉แงนนี่ส่วนใหญ่จเรื่องตัวที่พะข้าของพระเทศเราครับเสียมาขู่มูยังไงตัวที่พะข้าของพระเทยวาครับนก็บัชร์เป็น้าพี่โอเคแก้ตัวสลับนะแก้ท้ายน้าิหน้าดีกว่า สายทั้งมายุทธก็ไม่ยืนยันสายมหานิกายก็ไม่ยืนยันสายหลวงปู่มั่นก็ไม่ยืนยันสายหลวงปู่อื่นก็ไม่ยืนยันสายใดๆไม่ยืนยันทั้งนั้นสายคุพเชยปโนสายอุชุสายยายะสายยาสามีแต่นั้นเป็นสาวกของเรา เอสาะ ว, ตาวโตสาวะกัตังโภนี่เนอสาวุสอง พ, พาอาหุมีต่อาต้าอ้ามยปามโนโยทัศนีนโยอันชรีตันโนโยอันุตรังคุณยัคเกตตังโลกัสสาติเป็นผู้ควรก่าบว่าเป็นผู้ควรดูษาเป็นผู้ควรควรรักทักนนาตาเป็นผู้คราาวครทำอันชรีตังเปิดถามว่า ผู้กราบไหวไม่ต้องกระดาษกันเบ้องเนอะพระบรมาสดอนุตรังคุยักษตตังโมปัจฉาติเปนนาบนของโลกเนอะไม่ใช่นาบะพระบาไม่ได้ยืนยันสายอยันสายนีรอยือนยันแต่สายจุปเจปนโลคุยา ย, ยักามีอะีพูดเข้าข้างตัวมเข้าข้างกลางพูดเป็นธรรมมาใะใย นับตั้งหัวดําด้วยนับตั้งหัวดำด้วยชุบเทียปนูพวกพระโสดาบันชุบุทียปนูก็มีอยู่เหมือนกันก็นับเข้าเป็นในสาวกทางปรมาตมัไม่ใช่พระสาวกทางเพราะยังไงเช่นแนวสาขาเป็นต้นเช่นพระเจ้าพิงคทสามเป็นต้นเช่นพวกเช่นพวกบ้านนั้นบ้านนั้นนารันทขามแต่ไม่ให้ หลวงพระโบสด้วยเพราเป็นคาราวาในจารเข้าในสงฆ์เหมือนกันก็ครูเจ้าพนโทสงฆ์ในทางปรมัดสงฆ์ staff, นงในทางพระสูตรส่วนสงฆ์ในทางทางพระเวไนยงมีอีกกันหนึ่งสมมุติทุตสงฆ์ทุกทุกคนก็จัดว่าสงฆ์เหมือนกันสงฆ์ในระนยทุกทุกชนที่ยังมาถึงพระสดาบันก็จัดเป็นสงฆ์เหมือนกันแต่มื่อใเป็นปราราชิกการาิเศสพรอที่เป็นสางการิเศสก็จัดว่าสงฆ์สมมุติเหมือนกัน เพราะจังยังรักษาอยู่ไม่ใช่สงในพระสูตรไม่ใช่สงในพระประมัติสงในพระวัไนไยเพราะสยามมาได้สุปฏิปั น, นุชไนในข้างพุทธการจึงมีหลวงปติโม่ก็ไลผีก็น่าสันนิษฐานว่าพระองค์ที่ผีมาสิงนั้นคงเป็นพระ ยังมาถึงพระสวสดาวันถ้าถึงพระสวสดาวันแล้วผีที่ไหนจะมาสิงได้คงเป็นภาพที่พุทธชนคนหนาอยู่มีเทนานั้นท่สวดปาทิโมกยอไล่ผีเนี่ยนะเอาเสือเรี่อโตมาให้ให้เลื่ไปเเอาเอาเลื่อนเกด้วยเนาะเลื่อนเลกที่มีต้นหอกบวัว ภาวนาอันไหนดีบทพุทโธในพระสวสดาวันพ so so uh, ุทโธในสัคขาคามีพุทโธในอนาคามีพระอรหันต์ภาวนาพุทโธพระสวัสดิวันภาวนาพุทโธพระสัคขาคามีภาวนาพุทโธพระอนาคามีภาวนาพุทโธพระอรหันต์ภาวนาพุทโธพระปเกตกาภาวนาพุทโธ พระสัมมาสัพพุทธเจ้าภาวนาพุทโธพุทโธพระสัมมาสัาพัทเจ้าแยกคากว่าเพื่อพุทโธพระเจดเป็นที่สองพุทโธสาวกเป็นที่สามพุทโธสาวิกาเป็นที่สี่พุทโธทรสวพระอรหัน์ พุทโธพระสกทาณาคามีนี่นักตังเพศจญิงเพศชายด้วยพุทโธพระสกทาคามีนักตั้งเพศจญิงเพศชายด้วยพุทโธพระสวสดาวันนักสังเพศจญิงเทศชายด้วยที่เป็นพระสวสดาวันก็มีพุทโธยิ่งยอดกว่ากันอีกเพราะมันแยอคลายกว่ากันพระรหัสเรียนพุทโธจบพระรหัสฝ่ายสาวกพระสมาพระพุทธเจ้า ฝ่ายที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเงยนพุทธโธจบอีกเหมือนกันพุทธทางกูสามห้เล่มห้าเ่ม